พระธรรมเทศนาแผ่นที่67ดลำดับที่20สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24มกราคม2 5 5 8มีชื่อเรื่องว่าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แล้วจึงทม เมื่อเช้ารู้สึกชนีดดำของเราร้องนะมันอุ่นขึ้นมาเมื่อวานมันก่อนอุ่นขึ้นมาบ้างแต่ชนีนใร้องอุตุประจำวัดของเราไม่ลดจะออกหัวออกก้อยเหมือนกันนะหนาวจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานตอนบ่ายสาโมง หลวงพ่อได้ออกจากวัดรับนิมนต์ไปแสดงธรรมงานของหลวงปู่สายอำจังหวัดนองบัวลาพูอำเภอโนนสังห่างจากวัดของเราประมาณร้อยกว่ากิโลมออกว่ายตีบ่ายสามโมงเมื่อวานพอไปถึงนุ่นก็ประมาณสักยังไม่ค่ำห้าโมงกว่าๆพอดีพอดี ไปก็ได้ไป <c oughs> สง <c oughs> สงน้ำ อ, อาบน้ำซะก่อนก่อนจะขึ้นท ร, ร ม, มาศจากนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็ล้นหลามนะโอ้โหมากจริงๆเมื่อวานเนะี่เดบริเวณกว้างตอกกว้างคนเต็มไปหมดที่มลหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมซะก่อนจะค่อยสวดอภิธรรม วานหลวงพ่อก็เลย ข, ขึ้นไปแสดงธรรมเมื่อวานพูดยาวพอสมควรหลวงปู่สายวันนี้นะท่านจะเป็นวันประชุมเพลิงท่านก็จะเป็นพระครูเหมือนกันนะบวชอายุห0กว่าปีเมื่ออายุห0กว่าปีบวชมรณะภาพอายุ90กว่าปีพรรษาส0กว่า 36หรืออะไรเนี่ยลงพ่อจำไม่ชัดแต่30กว่าแต่อ่อนพรรษากว่าหลวงพ่อนะอ่อนพรรษากว่าพอหลวงพ่อเนี่ยพรรษาถ้นลูกหลานนะนับดูในปี0ูย์ปีศ8ที่หลวงพ่อบวชนับมาถึงปีนีห้แแล้วก็ท่านบวชมาแล้วท่านก็นศึกษา กับท่านท่านครูบาอาจารย์อยู่ท่านหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ทองแสงหลวงปู่ขาวในช่วงนั้นแลหละแล้วก็หลวงปูส่สิงทองท่านมาศึกษากับหลวงปูส่สิงทองที่ในประวัติของท่านหลวงปูส่สิงทองหลวงปู่จวนหลวงปู่วันแต่เป็นผู้เท่าไฝ่การศึกษาอยู่บวชเมื่อภายแก่ก็จริงแต่ก็สนใจในธรรมะฝ่การศึกษา จากนั้นท่านก็เป็นพระเป็นพระนักช่วงโคง้งจุดท้ายของท่านเป็นเป็นที่ยอมรับของคู่คนเป็น <c oughs> เพราะว่าท่านเป็นหมอลำมาก่อนปฏิพานปฏิพานในการใช้วาทนาท่านก็เลยเป็นนักเทศเป็นผู้แสดงธรรม องค์หนึ่ง <c oughs> เป็นที่ยอมรับของลูกหลานเมื่อวานในหลวงพ่อก็ไปเป็นองค์แสดงธรรมตอนเย็นตอนวันนี้ละบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยก็คงจะประชุมเพลิงคงจะเป็นงานใหญ่หลวงพ่อไปเห็นโอ้รถมากคนก็มากเมื่อวา น, นแต่หลวงพ่อแสดงผงพ่อเทศมือ เมื่อวานเนี่ยเทศตั้งแต่เริ่มกอไก่ตั้งแต่ศีลศีลห้าของคารวาสแล้วก็ศีลของพระจากนั้นก็เรื่องสมาธิแล้วก็เรื่องวิปัสสนาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อไปนสถานที่ใดจะเน้นหนักเรื่องแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ มั่นคู่บาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรหลวงพ่อจะเน้นหนักเพราะว่าหลวงพ่อได้เรียนได้ศึกษามาสายนี้เมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็พูดว่าหลวงพ่อเรียนมาทางกฎหมายจะไปอธิบายเรื่องบัญชีก็คงจะไม่คนไม่เท่าคนที่เรียนมาทางบัญชีเพราะนั้นหลวงพ่อจึงอธิบายกฎหมายนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเรียนศึกษามาแนวแนวสายหลวงปู่มั่น หลวงพ่อจะไปอธิบายสายอื่นก็คงไม่ได้แต่คงสายอื่นก็คงจะว่าหลวงพ่ออินใจคับแคบมีแต่ให้ศึกษาแต่สายหลวงปู่มั่นอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนมาสายนั้นเมื่อไม่ได้เรียนมาสายนั้นเราจะอธิบายสายนั้นได้อย่างไรเราก็ต้องอธิบายตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนิน แต่หลวงพ่อฟังฟังดูนะคณะธรราญาติโยมลูกหลานนะคนรุ่นใหม่กด a ฟ e b o o k เขาไปดูก็ได้นะหลวงพ่อเทศออก f ฟ c e b ๊ o นะนะทุกวันนี่เพราะว่าสายใยแก้วมันผ่านหน้าวัดก็เลยพระสงฆ์ท่านก็เลยขอให้เอาเข้าไม้เอาไปเข้าไปหลวงพ่อก็บอกว่ า, ามันเป็นมีพิษมีภัยนะ <c oughs> ใยแก้วเนะ่ ถ้าคุมควบคุมดีมันก็ดีนะถ้าว่าควบคุมไม่ดีนะมันทําร้ายทําลายพระเนนย่อยยับไปเหมือนกันนะแต่พระท่านก็บอกรับรองรับประกันรับว่าจะดูแลให้ดีถ้าควบคุมดูแลไม่ดีบอกมานะหลวงพ่อจะสั่งปิดไม่ยากอะไรสั่งปิดสั่งเปิดมันยากกว่าพอเราลากสายเข้าไปใช่ไหม พอลากสายเข้าไปมันก็ใช้เวลาสั่งปิดไปยากอะไรตัดต้นขั้วแล้วก็จบเลยสั่งปิดมันง่ายนิดเดียวแต่มันไม่เกิดประโยชน์หลวงพ่อก็ฟังอีกเหมือนกันถ้าหากว่าเอาออกไปแล้วผู้ที่ได้ยินได้ฟังมีการต่อต้านและมีการไม่เห็นด้วยก็บอกมานะหลวงพ่อไม่ใช่อยากเด่นอยากดังถ้าออกไปแล้ว มีคนต่อต้านก็ปิดซะจะไปยากอะไรปิดถ้าว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังเพื่อไฝ่ในการศึกษาการเรียนรู้เพราะว่าหลวงพ่อชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ 11-12 ปีเป็นสัมมเนนตั้งแต่ปี 2,500 อเป็นเนนกลึงพุทธการเนน2อ0พน จนมาถึงป่านนี้แหละ 2,558 ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนายาวนานขนาดนี้แหละมีความคิดเห็นอย่างไรมีความเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาได้ผ่านการผ่านเวลามาถึงขนาดนี้มีอะไรที่จะแนะนำสั่งสอนลูกหลานหรือว่าเหมือนหมาหางล้วน ตัวเองตัดฐางแล้วก็จะให้คนอื่นตัดฐางด้วยอย่างนั้นใช่ไหมเิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็ได้คิดทบทวนดูพอสมควรสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อก็พยายามแนะนาบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาในเมื่อบอกแนะนาไปแล้วไม่ใช่ว่าให้ลูกหลานเชื่อ หลวงพ่อเอ็นพูดยังไงให้เชื่อทั้งหมดหลวงพ่อก็ไม่ได้ประกาศอย่างนั้นขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตตรัสหรือพูดไปนี้นะ่ะท่านเชื่อไหมพระสาริบุตรก็ยังกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ายังก่อนพระเจ้าข่าพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข่าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข้าพระองค์จะกราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่า นั่นน่ะขนาดพระอัครสาวกพะระพุทธเจ้าขนาดนั้นท่านยังไม่เชื่อทีเดียวพวกเราท่านทางหลายเมื่อฟังคาหลวงพ่อไแล้วก็ต้องเอาไปกันกลองไตรตรองเหตุและผลซะกอ่อนจึงรับหรือยอมรับ แ, แนวความคิดหรือว่าสติปัญญาของท่านมีเท่าไหร่พวกเรามีเท่าไหร่ใช้สติใช้ปัญญาของเราคิดการกลองไตรตรอง จากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติเนื่อมาํานนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ไปเรียกร้องเอ้ยพวกท่านทั้งหลายได้นำทำคำสอนของเราไปปฏิบัติแล้วต้องมีค่านะหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เรียกทวงคืนหรือเรียกค่าไถ่และเรียก เ, ยเงินค่าตอบแทนอะไรทั้งหมดก็เป็นสมบัติของท่านเอง หลวงพ่อมีแต่ชี้ขุมทรัพย์ให้ดูท่านเองอันนั้นขุมทรัพย์นะลูกหลานนะอยู่จุด น, น, นั้นนะไปขุดเอานะหลวงพ่อมีแต่ชี้ขุมทรัพย์ให้เพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ชี้ขุมทรัพย์ให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็ได้ไปชี้ไปขุดขุมทรัพย์มาก็ได้รับความสุขทางด้านจิตใจเพราะนั้นเมื่อหลวงพ่อได้รับความสุขทางด้านจิตใจแล้วหลวงพ่อก็พยายาม แนะนำบอกกล่าวคณะทศไทาญาติโยมลูกหลานที่มาเกี่ยวข้องให้ไปดูนะขุดขุดขุดขมทรัพย์นะศีลอย่างนี้นะสมาธิอย่างนี้นะปัญญาอย่างนี้นะคาความสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำนะนี่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ในโอวาทปฏิโมกว่าอากตังดุกตตังเส้โยปัชชาตปฏิลุกกตัง กรรมชั่วความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเมื่อพวกท่านท่า น, านเมื่อพวกท่านทั้งหลายทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลพวกท่านทั้งหลายจะเดือด ร, ร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้ฟังเอาไว้พระพุทธเจ้าเทศตัดเอาไว้หลวงพ่อยกบ่อยมากเพราะมันอยู่กับตัวของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเพราะนั้น หลวงพ่อจึงแนะนําบอกกล่าวทางเฟ e บ o o กถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาพวกท่านทั้งหลายช่วยกันดูนะถ้าหากว่าที่มันไม่เกิดประโยชน์จะทำไปทำไมปิดแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์เออเอาอธิบายให้ฟังแนวความคิดของหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศา ส, ส น, านานานเท่านา น, านพูดออกไปเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไร ให้พวกท่านทั้งหลายนําไปกันกลองไตรกลองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วนั้นนะแต่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนในเทศเมื่อคืนนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดเข้าประเด็นสู่ธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง อ, อวสานของชีวิตหลวงพ่อก็ยังเปรียบเทียบในพระไตรปิฎกอีกว่าพวกเราท่านทั้งหลาย ก่อนตายน่ก่อนใจขาดพวกเราจะไปคิดห่วงหาอะไรไปคิดติดจุดนั้นจุดนี้ถ้าใครก็าตามพอก่อนที่ใจจะขาดคิดถึงเงินในธนาคารตายไปแล้วอาจจะไปเป็นตัวเรนอยู่ในเงินในธนาคารก็ได้ถ้าใครห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงสมบัติตายไปแล้วอาจจะมาเกิดเป็นหมาเป็นตุ๊กแกเป็นจิ้งจกหรือแม่เป็นมแมลงสาบ อยู่ในบ้านหลังนั้นก็ได้เพราะนั้นพระพุทธศาสนาที่ท่านตรัสไว้สอนเอาไว้ในครั้งพุทธกาลมีนะลูกหลานนะหลวงพ่อก็เลยยกตัวอย่างพระกรรมฐานองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบวชอยู่ที่วัดปายเชตตะวันออกไปปฏิบัติแล้วได้ผ้าได้ผ้ามาแล้วแล้วก็ทำตัดผ้าจีวรแล้วก็ห่วงตัดเจ็บตัดเย็บเสร็จเจ็ดร้อยย้อมเรียบร้อย จะได้ใช้วันพรุ่งนี้แต่พอตกตอนเย็นมาตัวเองก็เลยตายเพราะอาหารเป็นพิษเอพอตายไปแล้วเนี่ยขณะที่ใจจะขาดนะคิดเป็นห่วงผ้าจีวรโอ้ผ้าจีวรเราจะได้ใช้ผ้าจีวรหรือเปล่าเนาะเรารักสงวนห่วงแล้กเกินผ้าจีวรที่ได้ใหม่ถูกใจของเราอย่างมากนะจากนั้นก็ใจก็ขาดปัด๊ดพอใจขาดเท่านั้นนะ่ะ ไปเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้าจีวรฮเป็นไปได้ไหมอันนี้คือมาในพระไตรปิฎกพอไปเกิดในผ้าจีวรท่นนานนะพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อเผาศพท่านเรียบร้อยแล้วก็จะแจกผ้าจีวรกั น, เ, นเลนตัว น, นั้นก็วิ่งร้องโ hom ร้องไห้ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายจะแย้งจีวรผลที่สุดพระพุทธองค์อยู่ที่พระคันทกุดีท่านมีหูทิพย์พระพุทธเจ้าท่านมี ตาทิพหูทิพเราว่าทิพคํานี้ไม่ใช่ตาธรรมดาไม่ใช่หูธรรมดาหูทิพท่านได้ยินเสียงกระทั่งเสียงเล่นมันร้องอไรมันร้องเรียนมันร้องพระพุทธองค์ยังได้ยินไงกระวังหูทิพท่านก็บอกให้พระอานุน์ไปละ ง, งับอย่าพึ่งแจกพอเจดวันให้หลังไปเล่นตัว น, นั้นก็ตายตายเสร็จแล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเพราะเหตุไรเพราะอเนกสง์ ในการบำเพ็ญสมาธิปัญญาบำเพ็ญภาวนาของท่านมีอยู่แต่ขณะที่ตายใจมันไปคล้องแวะกับสิ่งที่ตัวเองห่วงหาอะไรพอตายไปแล้วก็ไปเกิดไปเกาะอยู่ที่นั่นแต่นี่ดีที่พระพุทธเจ้าท่านรู้เห็นใช่ก่อนท่านก็บอกอย่าเพิ่งแจกถ้าหากว่าพระสาวเหล่านั้นแจก พระจีวรเรนตัวนั้นโกรธโมโหให้กับพระแล้วก็ตายจากเรนในขณะที่โกรธโมโหอีกไปตกนรกทันว่ากันนะ เ, เพราะว่าโมโหวความโมโหทีนี้มันไม่ไปสู่สวรรค์นะความโมโหโกรธให้กับพระผู้มีศีลตกนรกเราเห็นความเอ็เอนดูและสงสารดวงวิญญาณของพระองค์นั้น พระองค์นั้นพอตายไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปสู่สวรรค์แล้วไปสู่สวรรค์ชั้นรุสิษย์เพราะนั้นผ้าจีวรผืนนั้นแจกซะเอาไปแจกกันซะไม่มีอะไรแล้วนี่แหละอันนี้หลวงพ่อได้พูดเมื่อคืนนี้กาเป็นการแนะนําบอกกล่าวให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานพวกเราจะได้ยินได้ฟังแล้วก็เชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็คือมาในพระไตรปิฎกท่านวัรใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นสิ่งไหนก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายจึงจะเป็นพระเป็นสมมาเนนเป็นพระเป็นญาติเป็นโยมก็ตามการที่จะํำทำจริงใดคิดจริงใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีพูดง่ายๆคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีไม่ควรจะอยู่ในจิตใจของพวกเราเพราะให้ประกอบแต่คุณงามความดีสร้างสมบุรณ์กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะ ไม่ถึงร้อยปีลต่างคนก็ต่างไปอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมารู่กันนะเป็นอย่างนั้นจริงๆ เ, เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะชีวิตของพวกเราไม่มีใครรับประกันได้มีแต่ประกันชีวิตประกันชีวิตประกันเพื่อเอาเงินทนั้นเองไม่มีใครรับประกันว่าชีวิตของคุณจะยืนร้อยปีร้อยปีแน่นอนไม่มีใครรับประกันอย่างนั้นได้มีแต่ประกัน ประกันเอาเงินตนเองประกันว่าชีวิตมาตรฐานร้อยปีของคุณรับรองได้ไม่มีใครรับประกันเท่งขนาดนั้นเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีนะต่อนี้ไปพระสงฆ์เจ้าธโมทนาให้พอนะทนี้นะ